6. สุราปานวก 6. โชติกาศิขาบทว่าด้วยการก่อไฟผิงเรื่องภิกษุหลายรูป 350. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณเพศการามกรุคคายวันเขตเมืองสุงสุมาราคิระแควนภคะครั้งนั้นในฤดูหนาวพวกภิกษุก่อไฟที่ขอนไม้ใหญ่ ขนหซึ่งมีโพรงแล้วผิงงูเห่าในโพรงไม้นั้นพอถูกไฟร้อนได้เลื้อยออกมาไล่พวกพิสษุภิกษุทั้งหลายวิ่งหนีไปในที่นั้นๆบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโคลนทนาว่าฉนัยพิกษุทั้งหลายจึงก่อไฟผิงเล่าครั้นพิสูตทั้งหลายตําหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ